นาาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัทธาาสสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขัสังขสสะสามัคคีสมะานันจานุ ก, กะโหตตี ณ บ, บัดนี้อาตมาพาจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสามขีกถาพัลณาถึงศาสนคคำสั่งสอนขององค์ชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปารพบในมงคลสมัยธรรมะเสวนะ คือการฟังธรรมตามโอกาสเวลาอันเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนนซึ่งเป็นวันธรรมัฏฐสวนะตรงกับวันพระฤหัสบดีที่23เดือนมกราคมพุทธศักราช2557ณวัดปะยะโรงสา ว, วาตรวรวิหาร เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มในส่วนกุศลบุญยราศีแห่งธรรมัั ส, สานามัยบุญของบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านเดือนนี้เดือนมกราคม เราผ่านพ้นปีใหม่มาแล้ว23วันแต่ว่าควรแห่งความเดือดร้อนความควรแห่งการแตกรักแตกสามัคคียังปรากฏมีในสังคมไทยดังนั้นอัตมภาพจึงขออัญเชิญบทพระธรรมเทศนา รู้รักสามคัคคีมีเหตุผลชาติจะมั่นคงให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนวันนี้ได้สะดับตรับฟังสังคมไทยเราจะมีความสุขและน่าอยู่หากเราทุกคนร่วมกันประสานใจประสานงานประสานความคิด เพราะว่าคนไทยนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความรักความเมตตาเอื้ออารีใจบุญสูนทานอาจจะกล่าวได้ว่าลักษณะนิสัยของคนไทยนั้นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนวจีไพเราะเป็นคนสงเคราะห์ประชาชนและเป็นคนวางตนที่เหมาะสม อันเป็นปกติวิสัยของคนไทยเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เฉพาะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ของคนไทยดังนั้นสังคมไทยจะมีความสงบสุขมีความเจริญก้าวหน้ามีความอบอุ่นและน่าอยู่มากกว่าทุกวันนี้หากเราคนไทยทุกคนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสันติก็คือ ค, อความสงบ เมื่อมีความสงบก็ย่อมมีความสุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านิทิสันติป ร, ปรางสุ ข, ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีดังนั้นถ้าสยามประเทศเป็นเมืองสงบมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับในความแตกต่างของกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจแก่กันและกันและรู้จักให้อภัยแก่กันเรียกว่ารวมมือกันพัฒนาสังคมให้มีความอบอุ่นและน่าอยู่โดยการเสริมสร้างความสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในสังคมจึงได้ชื่อว่ารู้รักสามัคคีมีเหตุผลชาติมั่นคง ดังพุทธภาษิตที่อัตมภาพยกเป็นนิเคป บ, บทเบื้องต้นว่าสุขาสังคสสะสามัคคีสมคาชานันจานุกขโโหเป็นแปลใจความว่าความพร้อมเพียงของหมู่คณะก็เป็นสุขการสนับสนุนผู้คนพร้อมเพียงกันก็เป็นสุขนั่นก็หมายว่าความสามัคคีอยู่ที่ไหนความสุขก็อยู่ที่นั่น ส่งเสริมให้คนรู้รักสามัคคีกันก็เป็นความสุขกันทั้งนั้นในหลักพระพุทธศาสนามีหลักธรรมง่ายๆถ้าใครก็ตามสังคมชุมชนไหนถ้าเว้นจากอคติสี่ก็คือฉันทาคติโทสาคติโมหาคติและพยาคติทั้งสี่อย่างนี้ เราก็จะสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นฉันทาคตินั้นถ้าเกิดขึ้นแก่ผู้ใดก็จะทำให้ท่านผู้นั้นมีความรักที่ลาเอียงตัดสินใจต่างๆหรือตัดสินในสิ่งต่างๆโดยเอาความรักความชอบเป็นที่ตั้งเมื่อรักใครชอบใครก็จะเข้าข้างคนนั้นหรือฝ่ายนั้นๆ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องบางครั้งถึงหลับหูหลับตาเข้าข้างพักพวกเดียวกันทั้งทั้งที่ใจก็รู้อยู่ว่ามันผิดแต่ก็หลีเกเลี่ยงไม่ได้เรียกว่าฉันทาคติทำดีก็เพื่อตัวแต่จะมัวหมองชั่วชีวิตแต่ถ้าทำดีเพื่ออุทิศชีวิตมันจะรุ่งเรือง ประการที่สองโทษาคติโทสาคติเมื่อเกิดขึ้นกับใครคนนั้นก็จะลำเอียงเพราะความโกรธเมื่อเกลียดชังใครก็ตามไม่ชอบใครก็ตามก็เห็นเขาเป็นศัตรูเมื่อมีเรื่องราวในเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะกล่าวโทษโยนความผิดให้เขาโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง บางครั้งถึงกับหาเรื่องเพราะความเกียจชังก็มีดังนั้นเมื่อความกอดขึ้นที่ไหนก็จะมีหายณะอยู่ที่นั่นดังนั้นเราจะทำอย่างไรไม่ให้ความเกิดรวมกันเราอยู่แยกหมู่กันเราตายแต่ถ้ารวมกันแล้วไม่ทำอะไรนายโยมนะแยกกันไปตายก็ดีเหมือนกันดังนั้นต้องอยู่แล้วต้องสร้างความรักความสามัคคี อย่าทะเลาะเบาะแวงกันประการที่สามรีกลี้ยงพยาคติคือลําเอียงเพราะเข้าข้างคนผิดหรือลําเอียงเพราะว่ากลัวภัยจะมาถึงตัวบางครั้งรู้ทั้งรู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรก็ไม่กล้าที่จะยืนเคียงข้างความถูกต้องนั้นกับเอาความอยู่รอดปลอดภัยตัวเองเป็นที่ตั้งความลําเอียงเช่นนี้ ย่อมทำให้สังคมบิดเบี้ยวไม่มีใครกล้าทักท้วงการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะกลัวภัยจะมาถึงตัวเองนั่นเองประการที่สี่โมหาคติการที่คนเราถูกชักชวนหรือหลงเข้าข้างคนผิดเพราะไม่ทันได้พิจารณาไตรตรองขาดข้อมูลข้อเท็จจริงขาดความรู้ความเข้าใจ ทำให้รู้เท่าไม่ถึงการเป็นเหตุทำให้ตัดสินในทางที่ผิดพลาดได้แม้แต่ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็สบปัญหาเรื่องนี้จนกระทั่งทำให้พระองค์นั้นเรียกกล่าวได้ว่าต้องให้แก้ปัญหาไปตามยะถากรรมให้กรรมเป็นผู้สั่งสอนให้กรรมเป็นผู้ริขิติพระพุทธองค์ทรงตักเตือนแล้ว แต่ว่าเขาเหล่านั้นก็ไม่ปฏิบัติตามเหตุการณ์เหล่านั้นก็เกิดขึ้นเมื่อในสมัยพุทธกาลก็คือในเมืองโกสัมพีเมืองโกสัมพีนี้มีพระพิสุสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นพระพิสุผู้เข่งในด้านพระธรรมวินยัยเรียกว่าพระวินัยทรอีกกลุ่มหนึ่งก็เข่งคัดในด้านการเทศการสอนเรียกว่าพระธรรมทร สององค์นี้อยู่วัดเดียวกันไม่มีสีไม่มีสันไม่มีสีแดงไม่มีสีเหลืองไม่มีสีขาวมีสีเดียวคือสีเลนะสีเลนะที่แปลว่าศีนนี่แหละหรือสีมะคาสีแห่งความสามาคัคคีอยู่มาวันหนึ่งพระธรรมธรทําผิดพลาดเข้าคือท่านไปเข้าห้องน้ำพอไปเข้าห้องน้ำเนี่ยปกติพระนี่เข้าห้องน้ำ เวลาทำระความสะอาดเข้าเวจกุติทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วท่านก็จะคว่ำขันก็คือภาชนะน้ํานี่ต้องคว่ำถ้าใครเปิดภาชนะไว้เนี่ยขันน้ําไว้เนี่ยต้องอาบัติคือผิดศีลผิดระเบียบผิดวินยัยแต่พระธรรมทรท่านเผลอสติท่านไม่รู้ท่านเข้าห้องน้ําเสร็จภาระท่านก็ตั้งขันน้ําไว้ผลปรากฏว่าสักพักหนึ่งพระพิกษุผู้เป็นฝ่ายวินัยทร ผู้มีความรู้ความชํานาญในเรื่องของพระธรรมวินัยก็มาเข้าห้องน้ําตามหลังก็มาเอะใจเอ๊ะใครเข้าห้องน้ําแล้วทาไมไงผ า, าชนะขึ้นพอเสร็จเรียบร้อยก็มาถามว่าพระคุณเจ้ารูปใดเมื่อกี้เอาภาชนะ เ, เข้าห้องน้ําแล้วไงผ า, าชนะขึ้นพระธรมรมทอนเป็นเจ้าสํานักอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับเป็นเจ้าคณะหนึ่งคณะสองนี่แหละนะแต่ไม่เหมือนพระวัดประยูนนายม วัดประยูนนี่มีสิบสามคณะไม่เคยทะเลาะกันแต่นี่สองคณะคือคณะวินัยทรกับธรรมทรนเนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นเลยโยมพอพระวินัยทรถามว่าใครหนอเข้าห้องน้ําแล้วหงายผาชนะขึ้นพระธรรมทรก็บอกว่าอ๋อเมื่อกี้ข้าพเจ้าเข้าไปข้าพเจ้าลืมไม่รู้พระวินัยทรก็บอกว่าท่านไม่รู้ชเชลยนี่เป็นเรื่องของศีลเรื่องวินัย ถ้าใครเข้าห้องน้ําแล้วหงายภาชนะเกิดคนเข้าด้านหลังยุงมันเผยเข้าไปไข่ไปวางไข่ไว้พระพิสุเข้าร่านหลังก็ถือว่าผิดอาบัติไปฆ่าสัตว์อีกเป็นบาปพระธรรมทรนบอกโอ้อาจารย์เข้าพระเจ้าไม่รู้จริงๆเข้าพระเจ้าขอโทษงั้นเข้าพระเจ้าขอปรงอาบัติเถอะนั่นก็หมายว่าสัปปตาอปติโยอโรเจมินี่นะ ข้าพเจ้าจะบอกคืนอาบัตแก่ท่านต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ทําอีกต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีนะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีจะไม่ทําอีกพระวินัยทรก็ปากหวานแม่พระคุณเจ้ารู้อย่างนี้ก็ดีแล้วให้อาภัยได้ไม่ต้องอาบัตแล้วเพราะท่านทําไปไม่รู้ทําไปเพราะไม่ได้ตั้งใจทําไปอย่างนี้เรานิรโทษสุขซอยให้พระวินัยทรบอกอย่างนั้น สักสามวันผ่านไปเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถือว่านิรโทษกรรมไม่แก่กันแล้วแต่ผลปรากฏวันหนึ่งพระวินัยทรก็คิดขึ้นได้ว่าวันนั้นพระธรรมทรนในหงายภาชนะไว้ก็คงตั้งใจจะสอนลูกศิษย์ของตนเองนั่นแหละว่าจะสอนลูกศิษย์ว่าอ๋อเวลาเข้าห้องน้ำนี่นะอย่าทาตัวเหมือนกับพระธรรมทรวันนั้นพระธรรมทรเข้าห้องน้าหงายภาชนะผิดภาพ ลูกศิษย์ก็ถามว่าอาจารย์และพระธรรมทรไม่รู้เหรอท่านบอกว่าท่านไม่รู้จริงๆพระธรรมทรนี่ผิดอาบัตินะท่านรู้หรือเปล่าน่ะบอกลูกศิษย์ฝ่ายลูกศิษย์ของพระวินัยทรเนี่ยพอรู้ข่าวอย่างนี้ก็ไปเล่าสู่พระธรรมทรเพราะกุฏิอยู่ใกล้กันอยู่คณะใกล้กันโยมก็บอกว่าแหมนี่ท่านไม่รู้เหรอเจ้าคณะท่านนี่นะพระธรรมทรนี่ เมื่อสี่ห้าวันก่อนเข้าห้องน้ำาหยภาชนะอาจารย์ท่านเป็นถึงอาจารย์เป็นถึงเจ้าคณะแล้วทำไมผิดศีลไม่รู้ตัวงายภาชนะอย่างนั้นได้ไนเนี่ยไม่รู้ตัวเลยทิศฐิอาบัตินั้นน่ะเป็นอาจารย์แต่ไม่รู้พระธรรมวินยัยพระวินัยทอนเออพระธรรมทอนพอได้ยินอย่างนั้นก็เกิดความโกรธในใจแม้วันก่อนนี่คุยกับเราดีๆว่าไม่เป็นอาบัติไม่เป็นอะไร แต่วันนี้รับหลังเราทำไมโจดขานกันอย่างนี้เป็นคนมู้สาได้อย่างไรเป็นคนถือพระธรรมวินัยใ น, ใ น, ในมาไม่ไม่รักษาสัจจะว่าแต่เขาอินเอาเป็นเองนี่ตัวเองก็ผิดไม่รักษาสัจจะวาจาวันนั้นบอกว่าไม่ผิดศีลแต่วันนี้กลับมาบอกว่าผิดศีลเป็นคนกลับทำสับปลอกปลอกรอกอย่างนี้เรียกว่าผิดศีลเท่ากันนั่นแหละอาจารย์ท่านก็ผิดศีล พอคุยอย่างนี้เข้าสารุสิ์ก็คนละข้างอยู่คนละสำนักระยมทีนี้อยู่คนละคณะฝ่ายวินัยทอนลูกศิษย์ก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังบอกว่าธรรมธรก็ปรับอาบัติท่านเหมือนกันถือว่าอาจารย์เนี่ยมุสาวาตวันก่อนบอกว่าไม่ผิดวันนี้บอกว่าผิดต่างคนก็เลยต่างผิดลูกศิษย์ก็เลยหือหากัน เจอหน้าก็บอกอาจารย์ท่านนั่นแหละเจ้าคณะท่านแหละผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็เจ้าคณะท่านแหละผิดอาจารย์ท่านแหละผิดทกเทียงกันจนกระทั่งฝ่ายวินัยทอนนี้เห็นว่าตนเองเป็นคนรู้เรื่องหลักธรรมพระธรรมวินัยมากกว่ารู้กฎระเบียบ ม, มากกว่าทําไงโยมก็พากันลงโทษพระธรรมทอนเรียกว่าลงโทษไม่ให้ญาติโยมไม่ให้พระ ไปสนทนากับพระธรรมทานเรียกว่าคว่มบาทกันว่าอย่างนั้นพระธรรมทานก็ไม่ยอมถึงเราจะไม่รู้ด้านกฎหมายไม่เก่งนิติศาสตร์แต่เราก็เก่งลั่นรัฐศาสตรน์นี่เราจะอยู่ร่วมกันได้จะต้องไม่ทะเลาะจะไม่ต้องแบ่งสีแบ่งสันก็เลยเป็นมูลเหตุให้ทะเลาะเบาะแวงกันจนลงโบสถ์ก็ไม่ลงพร้อมกันแยกกันทาบินฑบาก็บินคนละสาย ฉันข้าวก็ฉันคนละกุฏิคนละหมู่คณะไม่รวมกันจนชาวบ้านนี่แยกเป็นพักเป็นพวกแยกเป็นสองสีสองสันเป็นฝ่ายวินัยทรนธรรมทรยมเรื่องนั้นเรื่องการทะเลาะกันนี่ไม่ใช่แค่มีปัจจุบันนะอดีตก็มีผลปรากฏว่าเมื่อทะเลาะกันอย่างนี้หนักเข้าพระพิสุรูปหนึ่งก็นำข่าวไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พิสุกาวชา์ชาวเมืองโกสัมพีนี่ทะเลาะกันพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าดังนั้นการที่จะอยู่ร่วมกันนั้นต้องรู้รักสามัคคีปรองดองกันเพราะความสามัคคีเป็นที่มาของความสุขขอให้เธอจงยกโทษอภัยให้แก่กันเถิดอันไหนมันผิดติดผิดหน่อยก็ควรให้อภัยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเถิด พระพิสุเหล่านั้นก็เอาพิสุองค์นั้นก็เอาความพระพุทธเจ้าเนี่คําสอนพระพุทธเจ้าไปเล่าสู่พระธรรมทอนกับพระวินัยทอนในพระอารามนั้นในวัดนั้นผลปรากฏว่าไม่ยอมรับครั้งที่สองพระพิสุก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตัดเหมือนเดิมให้รู้รักสามัคคีแต่ผลปรากฏว่าไม่ลงรอยกันครั้งที่สามพระพุทธเจ้าเห็นชรอยว่าจะไม่ดีแล้ว เพราะความบีวาทนีิมันจะเกิดเหตุร้ายแน่นอนมันจะไม่เหลืออะไรดีเลยพระพุทธเจ้าเลยเสด็จไปโปรดพอไปถึงพระอารามนั้นพระพุทธเจ้าก็เรียกให้พระพิสุทั้งสองที่เป็นหัวหน้าเป็นฮาร์ดคอร์ทั้งสองนี่นะก็คือเจ้าคณะทั้งสองนี่แหละแกนนําหลักให้มาทรมาสามัคคีร่วมกันทําวัดร่วมกันสวดมนต์ร่วมกันฉันข้าวร่วมกัน พระพุทธเจ้าเป็นกรรมการตัดสินเป็นกรกตให้ผลปรากฏว่าก็นั่งดูพฤติกรรมของพระทั้งสองเห็นชะรอยมันจะไม่เข้ากันกินข้าวโดยกันก็ไม่คุยกันอยู่วงเดียวกันก็หันหน้าคนละทางเอาข้าวใส่ปากแต่ตาไม่ยอมมองกันปากก็ไม่คุยพระพุทธเจ้าก็นั่งเทศสอนเรื่องความสามัคคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอนในเรื่องของสารานิยธรรมหก ซึ่งเป็นหลักเสริมสร้างความสามัคคีมีหกประการอันเป็นหลักธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกเป็นหลักธรรมที่สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่กันและกันเกือ้อกูลให้ระลึกนึก ถ, ถึงกันดังปรากฏใจความว่าหนึ่งให้มีเมตตามโนก ร, รมนั่นก็หมายความว่าให้มีความคิดดีมองในแง่ดีมีความหวังดีมีปรารถนาดีต่อกัน รู้รักเมตตาต่อกันคิดแต่สิ่งที่สร้างสรรต่อกันไม่คิดอิจฉาริษยากันไม่พยาบาทไม่โกรธไม่เกิดไม่โกรธไม่แค้นกันรู้จักให้อภัยต่อกันและกันประการที่สองเมตตาวจีกรรมการพูดในสิ่งที่ดีที่งามต่อกันพูดด้วยความรักพูดด้วยความปรารถนาดี รู้จักพูดให้กำลังใจกันบ้างในยามที่ใครมียามที่ใครต้องพบความทุกข์ความโศกความเศร้าความผิดหวังจะไม่พูดจาซ้ำเติมในยามที่ใครหกลม้มไม่นินทาว่าร้ายต่อหน้าและลับหลังพระพุทธเจ้าก็เทศสอนเพราะเอาความดีเป็นตัวต่อต้านความชั่วแต่ว่าพระเหล่านั้นตัวเงียบอีกพระพุทธองค์ก็สอนต่อว่า ต้องมีเมตตากายกรรมคือทําความดีต่อกันสนับสนุนช่วยเหลือทั้งด้านกายกําลังกายให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสำ ม, มาคฆะวะไม่เบียดเบียนหลังแกไม่ทําร้ายให้ได้รับความทุกเขเวทนาทําแต่สิ่งที่ถูกต้องอยู่ด้วยกันอย่าอย่าถือตัวจงไว้ตัวแต่อย่าถือตัว จงเอาดีอวดแต่อย่าอวดดีสิก็นิ่งเฉยประการที่สี่ก็ทรงสอนต่อไปว่าสาธาณะโพคีนี่ต้องรู้จักแบ่งลาบบรรผลประโยชน์ด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารักเอาเปรียบมีความเสมอภาพต่อกันเอื้อเฟื้อต่อกันร่วมกันกินร่วมกันใช้ร่วมกันทาประการที่สี่ประการที่ห้า ศีลสามัญญาตาปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับวินัยต่างๆให้มีทิฏฐิให้มีศีลที่เสมอกันมีระบบมีระบบเคารพสิทธิภาพสิทธิเสรีภาพของกันและกันไม่ก้าวกายในหน้าที่ไม่อ้างอำนาจบัดใหญ่ไม่ถืออภิสิทธิ์ของใครและกันอย่างนี้พระพุทธองค์สอนพระภิกษุเหล่านั้นก็เงียบ ประการสุดท้ายพระพุทธองค์บอกว่าเมื่อเธออยู่ด้วยกันและต้องมีทิฏฐิสามัญญตาคือมีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันคือคิดในสิ่งที่ตรงกันปรับมุมอมองให้ตรงกันมาร่วมสแสวงจุดร่วมมาสงวนจุดต่างของกันและกันไม่ถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่รู้จักยอมฟังความคิดของคนอื่นบ้างพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ พระพิสุเหล่านั้นก็ไม่สาธุการนิ่งเฉยทำหน้าเหมือนกันว่าไม่ยอมแล้วงานนี้ให้เป็นตายข้างหนึ่งให้ได้พระพุทธเจ้าเมื่อสอนจนปากแฉะขนาดนั้นพระโอสถเปรียบไปด้วยน้ำลายแล้วพระพิสุโกสัมพียทั้งสองวินัยทอนและธรรมทอนก็ไม่ยอมรับพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้พวกเธอจงอยู่วิวาทกันเถิดตถาคตก็จะไปแล้ว อยู่กับโลกมนุษย์อยู่โลกกับคนดับมันทระกันอย่างนี้ไปอยู่ในป่าดีกว่าปรีกวิเวกดีกว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ไปอยู่หมู่บ้านหมู่หนึ่งชื่อว่าปารายกะเมื่อไปอยู่ในหมู่บ้านปารายกะผลด้านหลังพระวินัยธรและธรรมทรเนี่ยพอข่าวรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาคนก็มาเยอะมาร่วมให้กำลังใจมาหวังเห็นว่าองค์กรของพระวัดนี้เนี่ย โกสัมพีเนี่ยจะต้องสามัคคีกันแต่ชัดรอยยังแตกความกันอยู่ชาวบ้านก็เลยความบาทพระเหมือนกันทีนี้ระวังเถอะเมืองไทยก็เหมือนกันถ้าเมืองนอกความบาทเมื่อไหร่ก็จะอันตรายผล ป, ปรากฏว่าชาวบ้านก็ความบาทพระความบาทพระก็เลยไม่ถวายข้าวไม่ส่งข้าวส่งน้ำไม่ถวายอาหารพระที่อยู่ด้วยกันก็ลาบากแล้ว ภายวิในทอนก็ไม่มีข้าวฉันท ร, รมาทอนก็ไม่มีน้ําดื่มก็ทำไงโยมมุ่นเหตุเพราะความทะเลาะกันมุ่นเหตุเพราะความแตกแยกทําให้พระสองกลุ่มนี้อยู่อย่างลําบากอดอดอยากอยากไม่เหมือนพระวัดปะยุนอ้วนท้วนตีมันเพราะว่าไม่ทะเลาะกันโยมเลยถวายข้าวเสอิ่มเลยวันนี้ประเด็จพระกุลประราชจะทำพระราชปฏิพันธ์มุนี้ก็จัดผาชนะอาหาร คอยสำรับถวายพระที่มาลงพระอุโบสถสดฟังเทศน์เพราะว่าสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดหมู่คณะนะผลปรากฏว่าเมื่อพระธรรมทรวินัยรยอมไม่ถวายข้าวเนี่ยก็อดอดอยากอยากคนเรามันจะเห็นใจกันเมื่อจอนต อ, อนนี่แหละยำจนยำเจ็บยำจากรู้แล้วว่าวันนี้เราไม่มีกินทะเลาะเบาเป็นเพราะเหตุทะเลาะเบาแวงกัน เลยมาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสด็จเมตตามาเทศมาสอนแต่ทําไมเราไม่เข้าใจกันก็เลยมาพงมายอมรับกันว่าเอาละเราจากนี้ไปสองคณะรวมเป็นหนึ่งเดียวสองหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวใจเดียวกันเหมือนกับเอาเหมือนแล้วก็ลูกน้องเรานี่แหละกลุ่มพระพิสุด้วยกันที่เป็นบริวารต่อไปก็ต้องสามัคคีกัน เหมือนกำเอาดอกไม้หลากหากต้นหลากสีหลากใบมาอยู่ในแจกันเดียวกันก็จะดูสวยดีนึกได้อย่างนี้ก็รวมความสามัคคีกันก็ไปบอกว่าโยมตอนนี้อาตมาภาพสามัคคีกันแล้วนะโยมก็ถามว่าเออเมื่อท่านพระคุณเจ้าสามัคคีกันแล้วเนี่ยแล้วได้ขอโทษพระพุทธเจ้าหรือยอย่างล่ะพระพุทธองค์ทรงโปรดเมตตาเมาเทศมาสอนแล้วไม่เชื่อไม่ฟังอ๋อย่างโยมตอนนี้เป็นช่วงเข้าพรรษา ยังไปไม่ได้เพราะโคสัมภีกับหมู่บ้านปาริยกะนี้มันไกลกันถ้าไปเดี๋ยวพรรษาจะขาดโยมก็เล่นบอกว่าถ้าพระคุณเจ้าไม่ไปนี่ไม่ขอโทษพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่ถวายอาหารเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรียกว่าอยู่ด้วยความลาบากเกิดขึ้นเพราะการกระทาพระก็ไปขอโทษพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะอยู่ในช่วงเข้าพรรษา อยู่ในช่วงเข้าพรรษาก็เลยไม่ไปขอโทษพระพุทธเจ้าเพราะไปไม่ได้เลยอยู่อดอดอยากอยากโยมก็ใจดําเหมือนกันนี่แหละโทษของการทะเลาะดีนะเลยไม่ใส่เข้าวรอออกพรรษาแล้วค่อยใส่บาตรผลปรากฏว่าโยมออกพรรษาพระผอมแห้งดองเลยทีนี้เนี่ยก็ส่งพระไปกราบทูลพระพุทธเจ้าก็ปรึกษาพระอา น, นุ์เลขาพระพุทธเจ้านี่ว่าให้พระอ น, นุนเนี่ยเป็นสื่อ เป็นกล่าวใจให้พระพุทธเจ้าว่าบัดนี้เราทั้งหลายเนี่ยชาวโกสัมพีสํานึกผิดแล้วจะมาขอโทษพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในป่าหยมปรารยกะเนี่ยก็มีพญาช้างที่ว่าช้างปรารยกะช้างปรารยกะอยู่กับพระพุทธเจ้าหยมประเสริฐมากมันช่วยดูแลพระพุทธเจ้าช้างเชือกนี้ปรารยกะ ช่วยหาน้ําร้อนน้ําชาเวลาพระพุทธเจ้าอากาศหนาวหนาอย่างนี้นี่กรุงเทพสิบปดองศาวันนี้เนะี่ยหาน้ําสีไฟให้พระพุทธเจ้าเอาก้อนหินไปเผาไฟให้มันร้อนแล้วก็เขี่ยลงในน้ําน้ําอุ่นเมื่อไหร่ก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาอาบหาผลไม้รากไม้ให้แก่พระพุทธเจ้าด้วยฉันทําอย่างนี้ทุกวันพระพุทธเจ้ามีความสุขดีกว่าอยู่กับคนที่บันเทลกัน อยู่ในปา่าอยู่กับสิงเสือราสัตว์อยู่กับปนามกอยู่กับธรรมชาติมันมีความสุขพระพรุทธเจ้าบอกมีความสุขมากเลยนี่แหละสุขอื่นใดเท่าเท่ากับสุขแห่งความสงบนี่มันไม่มีนะจนช้างนี่ดูแลพระพรุทธเจ้าทุกวันอย่างนี้ช้างก็มีความสุขอยู่กับสิ่งที่ตนเองรักทําในสิ่งที่ตนเองชอบช้างก็มีความสุขไฟในป่าปารยากะก็มีวานนอนตัวหนึ่งคือริงริงนี่นะ ก็เห็นช้างอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันใจมันก็อยากทําบุญบ้างโยมวันหนึ่งมันก็ปีนขึ้นต้นไม้ไปหาลวงพึ่งถ้าโยมเคยไปกราบพระหลวงพ่อวัดป่าเรไร่สุพรรณบุรีเนี่ยก็จะเห็นมีลิงแล้วก็มีช้างนั่งอยู่นั่นนั่นแหละโยมเป็นที่มาของปางนี้ปางที่หนีพระทะเลาะกันปางหนีคนทะเลาะกันไปอยู่ในป่า ลิงก็ไปหารวงพึ่งให้พระพุทธจเจ้าได้ฉันพอถวายพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าไม่ฉันเนี่ยลิงก็เอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าไม่ฉันแต่ของช้างทําไมฉันดีจังลิงก็ไปพลิกดูเอารวงพึ่งอ๋อมันมีตัวอ่อนอยู่ลิงก็ไปขยับตัวอ่อนเสร็จเรียบร้อยก็เอารวงพึ่งถวายพระพุทธเจ้ามีน้าพึ่งพระพุทธเจ้าก็ฉันพอฉันผลเปลากรรลิงตัวนี้มันดีอกดีใจโยมโลดเต้นที่พระพุทธเจ้าฉัน น้ำพึ่งลวงพึ่งตัวเองตกมาตายดีใจเกินเหตุประมาทตกมาตายแต่เกิดใน ส, ว, สวรรค์เพราะทำความดีทีนี้ย้อนไปเมื่อพระอานนท์มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอานนท์พิสุโกสัมพีนี่สามัคคีกันหรือยังพระอานนท์ก็บอกว่าบัดนี้เธอทั้งสองฝ่ายทั้งสองคณะ ธรรมธรและวีในทอนบัดนี้มีสามัญสํานึกแล้วมีทิฏฐิสามัญยตาเสมอกันแล้วมีความเสมอภาพกันยอมรับความผิดเพราะเกิดขึ้นเพราะความทิฏฐิของตนเอาทิฏฐิเป็นที่ตั้งเอาความเห็นตนเป็นใหญ่บัดนี้เธอทั้งหลายสํานึกแล้วจึงขอากาอราบราตนาพระพุทธองค์ทรงโปรดกับกรุงโกสัมพีเถิดเพื่อไปโปรดแก่เธอทั้งหลายมิฉะนั้นพระพิสุเหล่านี้ จะต้องอดตายนี่พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็มีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ก็โปรดเสด็จกลับกรุงโกสัมพีส่วนช้างปรยกะนินายมพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จกลับก็เสียอกเสียใจห้ามไม่ให้พระพุทธเจ้าเสด็จกลับนิวัตสุพรรณครอีกขวางหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงตัดปอดใจว่าปรายกะเธอเป็นช้างในป่าควรที่จะอยู่ในป่า ส่วนตถาคตต้องช่วยเหลือมนุษยชาติบำเพ็ญในความเป็นพุทธจริยาต่อขอให้เธออยู่ที่นี่เถิดเฝ้าอยู่ในป่าดูแลอารักขาป่าเถิดปา ร, ยริยกะตัวนี้โยมก็เสียอกเสียใจพอว่าสายตาที่รับพัดตาจากพระพุทธเจ้าก็อกแตกตายเพราะอะไรคิดถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าได้อยู่ได้ทําคุณงามความดีสนองบารมีพระพุทธองค์ช้างก็อกแตกตายไปเกิดอยู่บนสวงสวรรค์ เห็นไหมคนที่ทําความดีนิยมมีแต่คนยกย่องจนเป็นประวัติศาสตร์คนสร้างอนุสาวรีย์ช้างปรยายกะก็นั่งหมอบอยู่เท้าพระพุทธเจ้าพระบาทพระพุทธเจ้าริ้งตัวหนึ่งก็ยกลวงพึ่งขึ้นถวายเพราะคนที่ทําความดีส่งเสริมทําคนความดีอย่างนี้คนแต่ยกย่องสามัคคีกันดังนั้นเราจะทําอย่างไรให้ประเทศชาติเราให้มีความรักความสามัคคี ก็ดังข้อธรรมะที่อัตมภาพได้สาธยายแสดงมานั่นเองเราจะทำให้ประเทศชาติรู้รักสามัคคีมีเหตุผลประเทศชาติเราจะมั่นคงได้เพราะความสามัคคีร่วมกันในหมู่คณะรู้จักให้อภัยแก่กันอย่าคิดพิษสยสเอาความถูกต้องอย่าให้ถูกใจเอาความถูกทำอย่าให้ถูกตัว อย่างนี้เป็นอันใช้ได้สามคัคคีมีมาเมื่อคราวก่อนความอาทรอ่อนหวานของการให้พร้อมรอยยิ้มอิ่มอุ่นระมุนใจคือเนื้อในไทยแท้แต่บางบันประเพณีดีงามสยามนั้นละเบือรั่นกันไปคนไขขานวัฒนธรรมล้ำค่าแต่ช้านานคนโบราณท่านสร้างเส้นทางไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทุกข่ำเช้า ลืมความเหงาเศร้าหมองแสนผ่องใสหลายภาคส่วนล้วนเสริมเติมห่วงใยเรื่องลือไกลไปถึงซึ่งต่างแดนภาพวันวานผ่านไปอะไรหาเกิดเขนข่าอาสันขันหันแขนแขนตัดขาดรักหักฐานผ่านเมืองแมนทั่วเขตแคนแน่นอกนรกคองเพียงน้ำพึ่งหนึ่งหยดราลดลถใส่ หลงผิดใหญ่ไฟฝันกันทั้งผองเป็นชั่นวนปวนเบืองทั้งเรืองรองหรือเพียงซากกองเกิดจากใครความบอบช้ำย้ำเตือนเหล่าเพื่อนพี่หยุดเสียทีสีต่างแบ่งข้างไหนเหล่าพ่ายแพ้แก่โลกโศกกว่าใครน้ำตาไทยไหลนองกองแผ่นดินอาตมภาพรับประทานแสดงระตธรรมเทศนา ในสามัคคีกถาก็สมสมัยแก่เวลารัตนนตยานุภาเวนะด้วยอํานาจของพระพุทธธรรมวิเชตศาสดาอํานาจบารมีของหลวงพ่อพระพุทธนาคพระศักดิ์สิทธิ์ประจําพระอารามอํานาจพระบรมสารีลิกธาตุและอํานาจเหล่าเทศเทวาที่อารักขายังพระอารามแห่งนี้ตลอดถึงอํานาจศิลอํานาจบารมีที่คุณญาติโยม ได้บำเพ็ญกันตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันสมัยนี้จงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยสนับสนุนให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงเจริญด้วยสิริสวัสดิิพัฒนะมงคลให้มีความสมบูรณ์พูน ผ, ผลในสิ่งพึงปรารถนายะถาวาริวาหาความปรารถนาให้สมประสงค์เหมือนดังจันจวงเต็มดวงเต็มวงเหมือนน้าเปี่ยมทรงสองฝั่งคงคา เหมือนแก้วมณีที่เนรมิตรบรรดาศักดิ์สิทธิ์ให้สมปรารถนาราบยศสันเสริญเพื่อเพลินอุราอโรคยาโรคายามีรัตนัตตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยอยาได้ราวีขอให้มีอายุมั่นยืนยาวทานสินภาวนายึดเป็นแก่นสารขอให้ทุกคนทุกท่านได้ยนมักผลนิพพาน ได้พบพระสีอ่านในอนาคตการอาตมภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสามคีกถาก็สมสมัยแก่เวลาจึงขอสมมติยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกานี